การสูบบุหรี่พระสูบบุหรี่ไม่สมควรบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งผู้สูบจนติดเวลาสูบจะมีอาการเคลิบเคลิมมึนเมานิดๆแล้วทำให้เพลิดเพลินจนรู้สึกว่าสมองปลอดโปรง่งโล่งสบาย สุลืมความทุกข์ชั่วขณะส่วนอาการเมื่อเวลาไม่ได้สูบจะรู้สึกหงุดหงิดงุนง่นงนงานอารมณ์เสียโกรธง่ายกวนกวายผลลุกผลนั่งหรือหน้ามืดตาลายเปรี้ยวปากน้ำลายไหลเมื่อได้กลิ่นควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบพ่นออกมาจะหอมหวน ยา้วยวนใจมากยิ่งชวนให้อยากสูบมากขึ้นชาวนาชาวไร่บางคนที่ติดบุหรี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาไปทำไร่ทำนาลืมข้าวลืมน้ำไม่เป็นไรแต่อย่าลืมบุหรี่ก็แล้วกันถ้าลืมบุหรี่ไว้แล้วและก็ถึงไกลแค่ไหนต้องเดินกลับไปเอามาทันทีไม่เช่นนั้น ก็ทำงานไม่ได้จะเกิดอาการหงุดหงิดงุนง่านเห็นอะไรควางหูควางตาไปหมดบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดชนิดอ่อนเมื่อเทียบกับสิ่งเสพติดชนิดอื่นและไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้สูบทำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างเช่นโรคปอดโรคถุงลมป่งพองและโรคมะเร็งเป็นต้น เกิดได้ทั้งผู้สูบและบุคคลรอบข้างในปีปีหนึ่งทั่วโลกมีคนตายเพราะสูบบุหรี่จำนวนหลายๆลยล้านคนด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและองค์กรต่างๆจึงรณรงค์ให้ประชาชนงดสูบบุหรี่พร้อมทั้งชี้โทษของบุหรี่ว่ามีโทษร้ายแรง ทำให้เกิดโรคมากมายต่อผู้สู่และครอบครัวซึ่งเป็นคนรอบข้างตลอดจนมีการห้ามปรางการโฆษณาบุรี่ตามสถานที่ต่างๆจนถึงให้งดการโฆษณาออกรายการทีวีเป็นต้นและให้มีการทำสติ๊กเกอร์เป็นโลโก้เป็นเครื่องหมาย งดสูบบุหรีและให้งดบุหรีตามสถานที่สาธารณะบนรถเมล์และรถปรับอากาศพร้อมทั้งปรับโทษสองพันบาทต่อบุคคลผู้ฝ่าฝืนตามสถานที่ต่างๆที่ห้ามสูบบุหรีเป็นต้นนั้นในปัจจุบันนี้การรณรงค์ต่อต้านบุหรีมีทั่วโลก และจัดให้มีวันงดสูบบุหรี่โลกเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยการรณรงค์งดสูบบุหรี่ค่อนข้างได้ผลเป็นที่น่าพอใจหน่วยงานและองค์กรต่างๆมีคนงดสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นแต่บุคคลทางฝ่ายาศาสนาจักซึ่งเป็นผู้นำาศาสนาเป็นผู้นำ เรื่องการอบรมทางจิตใจแก่ญาติโยมคือพระพิสุสัมมาเนนผู้ซึ่งประชาชนทั้งหลายฝ่ายอาณาจากักรได้ให้ความเคารพยกย่องบูชายังไม่ยอมลดการสุบบุรีมีแต่กลับจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้าไปทั้งไม่ยอมรับฟังคำชี้แนะของใครทั้งสิ้นดังนั้น ตามวัดต่างๆทั้งในเมืองและชนบทพระพิสุจะนั่งจับกลุ่มสูบบุหรี่กันพร้อมทั้งดื่มกาแฟและสนทนาพาทีถึงเรื่องต่างๆดูแล้วท่านคงจะมีความสุขจะเห็นได้ว่าในแต่ละวัดมีพระจำนวนน้อยนิดที่ไม่สูบบุหรี่ เมื่อมีกิจนิมนต์แทบทุกงานโยมจะเตรียมหมากภูบุรีใส่จานพอพระท่านมานั่งแล้วโยมก็ถวายพระท่านก็พร้อมใจกันจุดบุรีสูบพร้อมๆกันกับทายกส่วนท่านที่ไม่สูบบุรีรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกแต่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี เพราะพระผู้ใหญ่ท่านก็สุขถึงใครๆก็เตือนไม่ได้คงต้องปล่อยไปตามยถากรรมแต่ว่าในที่สุดท่านเหล่านั้นอาการก็สุดลงต้องหามเข้าโรงพยาบาลสงมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนพระพิสุ ที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสงไปถึงตึกพระป่วยเห็นพระบางรูปนั่งสูบบุหรี่ควันฟุ้งกระจายไปทั้งห้องกลิ่นบุหรี่เหม็นไปทั่วห้องสักครู่หนึ่งหมอเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าทนไม่ได้ก็เลยพูดออกไปดังๆว่าหยุดสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ ไม่กลัวตายกันหรือไงหมอบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้หยุดสูบบุหรี่ทําไมไม่เชื่อฟังหมอเลยหัวดื้อจริงๆพระพวกนี้เมื่อไม่เชื่อหมอก็นิมนต์กลับไปวัดซะพอหมอว่าอย่างนี้ท่านก็รีบทิ้งบุหรี่ก้มหน้าทําตาปิดปิบดูแล้วน่าสงสารเมื่อเป็นเช่นนี้คงไม่ใช่หมอเพียงคนเดียวหลอก ที่ออกอาการเบื่อหน่ายอย่างนี้พระด้วยกันก็เบื่อหน่ายเจอพระพวกนี้ใครๆก็หัวเสียเหมือนกันเพราะบอกอย่างไปทําอีกอย่างเสียนี่ในขณะที่หมอตรวจดูอาการของพระรูปโน้นรูปนี้อยู่พอมีโอกาสท่านได้ถามหมอว่ายมหมอพระเหล่านี้เป็นโรคอะไรกัน หมอตอบว่าเป็นโรคปอดก็มีโรคถุงลมป่งพองก็มีโรคมะเร็งก็มีเป็นหลายโรคครับท่านอาจารย์พอหมอพูดจบท่านก็ถามต่อไปว่าโรคเหล่านี้สาเหตุเกิดมาจากอะไรหมอตอบทันทีเลยว่าเกิดมาจากบุหรี่ท่านเหล่านี้สูบบุหรี่จัดมากห้ามอย่างไรอย่างไร ก็ยังสูบผมละ่ะหมดปัญญาจริงๆเมื่อฟังดูแล้วก็อดจะนึกสงสารหมอไม่ได้ขนาดหม อ, อยังหมดปัญญาเลยแล้วใครจะมีปัญญาไปรักษาพระพิสุเหล่านี้หนอเพราะมีสาเหตุมาจากคนไข้ไม่ยอมเชื่อหมอนั่นเองท่านอาจารย์เล่าต่อไปอีกว่า เมื่อท่านเดินดูทั่วๆได้เห็นภาพที่น่าสรดสังเวชอย่างมากพระบางรูปถูกเจาะค อ, อบางรูปถูกเจาะข้างมีสายยางโยงไปโยงมาเต็มไปหมดพฤติกรรมของพระที่สูบบุหรี่ทำให้หมอและพยาบาลเอือมระอามากพูดดีก็แล้วพูดร้ายก็แล้วทั้งกราบ ทั้งไหว้ให้เลิกสูบบุหรี่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมเลิกสงสัยยอมตายคาบุหรี่ถึงต่อหน้าไม่สูกรับหลังก็แอบสูบทำอยู่อย่างนี้หมอก็ยอมแพ้ได้แต่รักษาไปตามหน้าที่เท่านั้นเองท่านเคยถามหมอว่าโยมหมอรักษาคนไข้ที่เป็นพระ กับคนไข้ที่เป็นโยมทั่วๆไปพวกไหนรักษาง่ายกว่ากันหมอตอบทันทีเลยโดยไม่ต้องคิดว่ารักษาคนไข้ที่เป็นโยมง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะเชื่อฟังคำหมอทุกอย่างแต่พระท่านหัวดื้อไม่ฟังคำหมอจึงรักษายากครับท่านอาจารย์เมื่อบุรีทาให้เกิดโรคต่างๆมากมายตามที่กล่าวมาแล้ว ทั้งยังทำให้ผ้าจีวรที่นั่งที่นอนหมอนมุง้งสกระปรกมือดำริมฝีปากดำฟันดำและมีกลิ่นเหม็นเวลาพ่นควันหรือเวลาหายใจออกมาผู้สูบบุหรี่ไม่รู้สึกว่าเหม็นแต่ผู้ที่ไม่สูบแม้อยู่ไกลก็ยังได้กลิ่นเหม็นอยู่ไฟของบุหรี่ ก็ยังทำให้จีวรขาดเป็นช่องเล็กช่องน้อยอีกด้วยและไฟจากก้นบุหรี่ทำให้เกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งตามวัดโรงงานและป่าเขาเป็นต้นเพราะอาศัยการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุนั่นเองสรุปว่าการที่พระพิสุสูบบุหรี่นั้นเป็นการไม่สมควรทำให้เสียภาพลักษณ์ เสียบุคลิกสมณะสารูปของพิสุในพระพุทธศาสนาอาจทำให้คราวาดญาติโยมผู้ไม่สูบบุหรี่มองในแง่ลบตำหนิติเตียนว่าเป็นพระทำไมละของหยาบๆยาแค่นี้ไม่ได้จะละกิเลสที่ละเอียดได้อย่างไรน่าจะเป็นจริงอย่างที่โยมว่าถ้าหากเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นขนมนมเนยเป็นต้นก็สมควรบริโภคแต่บุรีเป็นสิ่งเสพติดสังคมรังเกียจใครสูบบุรีก็ถูกเรียกว่าขี้ยาแล้วพระสูบบุรีเล่าควรจะเรียกว่าอะไรดีบุรีไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยจริงๆ มีแต่ทำลายสุขภาพสำหรับพระแล้วบุรีนั้นเป็นเครื่องกังวลห่วงใหญ่ไม่สะดวกในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเมื่อขาวบุรีหมดลงต้องคอยสแสวงหาใหม่อีกเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้พระพิสุในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญการละกิเลสทั้งหลาย จะยอมตนกลายเป็นทาสของบุหรีตลอดไปหรือส่วนด้านพระธรรมวินัยแล้ววัตถุสิ่งของต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นบุหรีกัญชาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายาอีและยาเคเป็นต้นพระพุทธองค์แม้ไม่ได้ตรัสโทษไว้ไม่ได้ทรงอนุญาต และบัญญัติห้ามไว้โดยตรงแต่เป็นวัตถุที่มีโทษทั้งยังไม่สมควรแก่พระภิกษุสา ม, มเณรและคารวะญาติโยมจึงจัดวัตถุเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเหมือนอย่างที่ทรงบัญญัติห้ามไว้ว่าเป็นปาจิตตีในเพราะดื่มสุราเมรยัยสุราเมรยัยจัดเป็นสิ่งเสพติด ทำให้ผู้เสพมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะมีอาการเหมือนคนบ้าแม้พระสาคตะผู้ได้อภิญญาห้ามีฤทธิ์มากสามารถที่จะปราบพญานาคตัวมีฤทธิ์ได้พอท่านดื่มสุราเข้าไปเกิดอาการมึนเมาอย่างหนักเดินเซไปเซมาเหมือนสนต้องลงท่านคิดว่าจะเดินกลับวัด แต่ก็กลับไม่ถูกในที่สุดท่านก็เข่าอ่อนล้มฟุกลงนอนกิ้งไปกิ้งมา ส, สลบสไลดยหมดสภาพอยู่ที่ประตูเมืองนั่นเองดังมีเรื่องเล่าว่าพระสาคตะได้อภิน ญ, ญาห้าและมีความชำนาญเป็นพิเศษในการเข้าเตโชสมาบัติคราวหนึ่งพระพุทธเจ้า ทรงพาท่านไปยังท่าเรือชื่อว่าอัมพะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านพัทธวติกะในแควนเจติยะที่ท่าเรือแห่งนั้นมีอาสมของพวกชรินตั้งอยู่ที่โรงบูชาไฟของพวกชรินนั้นได้มีพญานาคตัวหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มากอาศัยอยู่สามารถบันดาลฝนให้ตก หรือไม่ให้ตกก็ได้ตามใจปาถนาซึ่งทำให้ชาวบ้านท่าเรืออัมพรเดือดร้อนมากพระสาขตาตามเสด็จพระพุทธเจ้าถึงที่นั้นได้ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านละแวกนั้นจึงคิดว่าจะทรมานพญานาคให้ได้ครั้นได้โอกาสท่านจึงเข้าไปยังโรงบูชาไฟ นั่งขัดสมาธิใกล้ที่อยู่ของพญานาคนั้นเป็นเหตุให้พญานาคโกรธมากถึงขนาดพ่นควันพิษใส่ท่านท่านก็เข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานจิตทําให้เกิดเป็นควันพิษฟุ้งตรบกบควันพิษของพญานาคพญานาคยิ่งโกรธมากขึ้นจึงพ่นไฟใส่ท่านอีก ท่านก็เข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานจิตทำให้เกิดไฟที่ร้อนแรงกว่าใส่พญานาคจนในที่สุดพญานาคต้องยอมแพ้และไม่แสดงฤทธิ์เบียดเบียนใครอีกข่าวข่าวภาษาคตะปราบพญานาคได้แพร่สพัดกระจายไปทั่วหมู่บ้านแห่งนั้น ชาวบ้านต่างก็ดีใจมากนอกจากนั้นชาวเมืองโกสัมพีก็ได้ทราบข่าวข่าวนี้ด้วยและดีใจเช่นเดียวกันเมื่อท่านเดินทางกลับมายังเมืองโกสัมพีพวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพีได้ต้อนรับท่านเยี่ยงวีระบุุษด้วยการเตรียมสุราใสาสีแดงดุดเท้านกพิราบ เป็นของหายากถวายให้ท่านดื่มตามคำแนะนำของพระฉับ พ, พัก ค, คีพอรุ่งเช้าพระสาคตะออกไปบินธบาทพวกอุบาศกชาวเมืองโกสัมพีได้นำสุราใสาสีแดงดังเท้านกพิราบที่จัดเตรียมไว้ออกมาถวายให้ท่านดื่มเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธบัญญัติ ห้ามพระดื่มสุราท่านจึงดื่มเพื่อฉลองศรัทธาบ้านละนิดละหน่อยแต่คั้นดื่มมากบ้านเข้าท่านก็มีอาการมึนเมาหมดสติล้มฟุกนอนกิ้งไปมาอยู่ที่ประตูเมืองนั้นลําดับนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วยพิษุเป็นอันมากได้ทอดพระเนตร เห็นท่านเข้าจึงทรงรับสั่งให้พวกพิสุช่วยกันหามท่านกลับวัดแล้วให้นอนหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าแต่ท่านกลับนอนพลิกหันเท้าทั้งสองไปทางพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตัดกับพวกพิสุเกี่ยวกับความประพฤติของพระสาคตะว่าเมื่อก่อนพระสาคตะ มีความเคารพยำเกรงในตถาคตมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความเคารพยำเกรงเหลืออยู่เลยเมื่อก่อนสามารถสู้กับพญานาคตัวมีริสได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถจะต่อสู้แม้กับงูน้ำได้เลยน้ำสุราที่ดื่มเข้าไปแล้วถึงวิสัญญีภาพสรบเห็นปานนี้ พิสุไม่ควรดื่มเลยจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงติเตียนพระษาคตะโดยอเนกปริยายแล้วทรงยกเรื่องของท่านเป็นปฐมเหตุบัญญัติสิกขาบทห้ามพระพิสุดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้นดังนั้นบุรีซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งเสพติดให้โทษเหมือนกันเมื่อเอา มหาประเทศข้อที่หนึ่งที่พระพุทธองค์ตัดไว้เป็นแบบอย่างให้พิจารณาว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นเป็นอันไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย แต่สำหรับยาสมุนไพรที่มวลลักษณะคล้ายบุรีที่มีส่วนผสมต่างๆเช่นเกรสรดอกบัวใบบัวและใบหนาดเป็นต้นเป็นยาแก้โรคลิซีดวงจมูกโรคไซนัสและโรคปวดหัวเป็นต้นพระสูบยาสมุนไพรเช่นนี้แก้โรคได้เมื่อหายป่วยแล้ว ต้องหยุดสมัยพุทธกาลพระปิรินทวัชชะเถระเป็นโรคปวดหัวพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ใช้กล้องสูดควันจากใบไม้ที่เป็นยาได้แต่ก็ต้องมีเหตุเจ็บป่วยจริงๆถ้าบริโภคสูบโดยไม่มีเหตุสูบเพราะติดใจ เพืเพลินในรสชาติต้องอาบัตทุกกฎดังที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตกล้องสุดควันและทรงตัดถึงวิธีการบริโภคยาโดยให้พิจารณาถึงความจำเป็นก่อนค่อยฉันไว้อีกตอนหนึ่งว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลาย เราอนุญาตลากไม้เป็นต้นที่เป็นยารับประเคน ล, ลากเพสัตวเป็นต้นเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีวิตต่อมีเหตุจึงให้บริโภคได้เมื่อไม่มีเหตุไม่เจ็บป่วยพิสุ บ, บริโภคต้องอาบัตทุกกฎเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเมื่อรณรงค์ให้พระเลิ่บสูบบุหรี่ไม่ได้ ก็หันไปรณรงค์ให้คนเลิกถวายบุรีพระแทนปรากฏว่าได้ผลพอสมควรเท่าที่สังเกตดูตามงานนิมนต์ต่างๆไม่ค่อยเห็นโยมถวายบุรีพระสักเท่าไรนะักแต่ยังคงมีอยู่ประปรายหากมีการรณรงค์ต่อเนื่องสืบไปก็น่าจะทำให้ พระสูบบุหรีลดน้อยลงหรือจนไม่มีในที่สุดหากไม่เป็นเช่นนั้นถ้าพระยังสูบบุรีอยู่ตราบใดโยมก็คงถวายบุหรีพระตราบนั้นเพราะสาเหตุมาจากพระท่านเป็นผู้แนะนำโยมให้ถวายบุหรีโยมนึกว่าได้บุญจึงถวายกันเป็นการใหญ่ ความจริงแล้วไม่ใช่ถวายวัตถุสิ่งของแก่พระพิสุหรือให้อะไรแก่ใครๆเท่านั้นถือกันว่าได้บุญทั้งหมดยังมีสิ่งของบางอย่างแม้ให้แก่ผู้อื่นแล้วไม่ได้บุญก็มีและการให้นั้นก็ไม่จัดเป็นทานด้วยการให้ที่ไม่จัดเป็นทานมี5อย่างคือหนึ่ง การให้สิ่งเสพติดมึนเมาและยาพิษเช่นสุราเมรยัยและบุหรี่เป็นต้น 2. การให้มหรรพฟ้อนรำขับร้องหรือการละเล่นต่างๆเช่นลิเกหมอรำภาพยนตร์และคอนเสิร์ตเป็นต้น 3. การให้หญิงแก่ชาย เพื่อบำเรยความสุขในการเสบเมถุนธรรม 4. การให้วัวตัวผู้แก่วัวตัวเมียเป็นต้นเพื่อผสมพันธุ์ 5. การให้ภาพจิตตกรรมโป๊เปื่อยลามกอนาจารการให้ที่ไม่จัดเป็นทานมีเหตุผลดังนี้คือข้อที่หนึ่ง ไม่จัดเป็นทานเพราะทำให้เกิดความมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะและทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้โทษแก่ผู้รับผู้เสพข้อ2ไม่จัดเป็นทานเพราะมีแต่ความเพลิดเพลินและเพิ่มพูนกิเลสตัณหาแก่ผู้ดูผู้ฟังอย่างเดียวข้อ3 4 5ห ไม่จัดเป็นทานเพราะผู้ให้มีจิตใจเป็นอกุศลและทำให้ผู้รับเกิดการมราคะเพิ่มขึ้นสิ่งทั้งห้าอย่างนี้ไม่ชื่อว่าทานและไม่ได้บุญอะไรอะไรเลยเพราะทำให้ผู้รับเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางครั้งถึงกับเสียชีวิตตลอดจน ทำให้ผู้รับเกิดกิเลสตัณหาอย่างเดียวฉะนั้นการถวายบุหรีจึงชื่อว่ามัชฌาทานคือการให้สิ่งเสพติดมึนเมาและชื่อว่าวิสธานคือการให้สิ่งที่มีพิษภั่ทำให้เกิดโรคมากมายถึงตายได้บุหรี นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังนำทุก์โทษมาให้แก่ผู้เสพโดยส่วนเดียวเมื่อปัญหามากมายเกิดขึ้นเพราะอาศัยบุรีถึงเวลาแล้วหรือยังผู้ที่ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีความหมายว่าผู้เข้าใกล้พุทธะไตรมีปัญญารู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่ควร และไม่ควรสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษควรที่จะยุติการถวายบุร่แก่พระพิสุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำทั้งไม่ได้บุญและไม่ชื่อว่าการให้ทานด้วยด้วยลักษณะที่ทำให้ผู้เสพ เกิดโรคมะเร็งโรคปอดโรคถุงลมป่งพองเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเป็นเหตุทำให้พระพิสุผู้ที่ญาติโยมกราบไหวบูชาต้องมาอายุสัน้นและทนทุกข์ทรมานก่อนตายตลอดจนทำให้เนื้อนาบุญของตนเองผิดศีลผิดวินัยด้วยดังนั้นอุบาสกอุบาสิกา ควรเป็นผู้ฉลาดในการให้ทานจึงจะสมควรกับคำว่าอุบาสกอุบาสิกาซึ่งแปลว่าผู้นำเอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของชีวิตสำหรับภาพพิสุเองก็ควรตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ให้มากจะได้เลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของท่านเอง และเพื่อศีลของท่านด้วยเป็นพระควรใช้ตาดูหูฟังชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างและพิจรารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อตนซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูได้เทศนาสั่งสอนไว้แก่พระสาวกทั้งหลายให้ใช้ปัญญา พิจารณาก่อนใช้สอยปัจจัยสี่ทุกครั้งเสมอเรื่องบุหรีนี้สังคมชาวโลกยังรู้ว่าไม่เป็นประโยชน์กำลังรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรีกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายตามสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และมีป้ายห้ามสูบบุหรีติดไว้ตามสถานที่ต่างๆมากมาย มีการทำลายและเผาบุหรี่ให้เห็นเป็นต้นการบวชเป็นพระพิสุควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นําที่ดีของชาวบ้านอย่าให้ชาวบ้านต้องมาเป็นผู้นําและบอกท่านว่าท่านอาจารย์ครับเลิกสูบบุหรีเ่เถอะมันไม่ควรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้คงเสียภาพพจน์ของผู้นํา ทาง พ, พุทธศาสนามิใช่น้อยถ้าผู้นำทางพพุทธศาสนาที่ได้นามว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสรศิฐผู้ควรบูชายังไม่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบ้านแล้วจะมีใครเล่าเป็นแบบอย่างได้อีก